พูดกล่าวก็เป็นการ ท, ทบทวนความจำของหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการบอกกล่าวคณะสัทธาติยมผู้ที่เข้ามาสร้างวัดยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยก็ถูกต้องไม้พวกเราก็จะได้ได้ยินได้รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดทบ ท, บทวนความจำของหลวงพ่อ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 ผู้ใหญ่และเป็นผู้เท่าต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็วิตกกังวลในเรื่องนี้อีกเหมือนกันอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเคิดดูไม่ใช่ว่าเมื่อหลวงพ่อแก่ชราเข้ามาแล้วก็โผล่จะอยู่ใกล้เชิดก็ชักจูงไปผลในสุดหลวงพ่อก็เล็ดด่าลูกเสีย์ลูกหาเข้าหน้ากันไม่ติด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 นี่หละลงพ่อมาอยู่ที่นี่พอสร้างสะพานเสร็จแล้วเขาก็ตัดไม้ขนมาแถวบ้านเพิ่มจำไมนั่นเขาเรียกว่านอสอสวมฮะถ้าพูดอย่างนี้นะพี่น้องชาวบ้านนี่เขาคงจะพูดรู้ได้เล ย, เลยว่านอสอสวมนั้นคืออะไรคือเขามีศบสอคอหนึ่งนะเขาออกสอคอหนึ่งคนละหไล่สิบไล่คนละสองสามไล่นเะนะจ้านายออกให้สมัยก่อนแต่มันกฎหมายนี่สิมันมีช่องว่างช่องโหว่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 จะทำอะไรขึ้นมาแล้วต้องขออนุญาตซะก่อนในวัดของเราเพราะวงตาเนี่ยท่านถ้าว่าท่านมองเราเนี่ท่านมองแบบไหนท่านมองอยุดในสายตาของท่านนะถ้าเราทำออกนอกลูก่นอกทางเนี่ยอย่านะทำอินนะเฮเราก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันแต่เดี๋เอเราจะข้ากล้าเข้าไปกอกกาเปลี่ยนท่านก็เราก็ไม่กล้าเหมือนกัน เราก็เลยให้เท่าแก่กุกหงคุณธนันชัยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยหลงศรีสีไทยใหม่เนี่ยเฮ้เาแก่ไปขออนุญาตหลวงตาให้ด้วยเทิน嘛ไม้ก็มีอยู่ก็ไม่เดือดร้อนหรอกได้เตรียมไาอยู่ถ้าหากว่าหลวงตาอนุญาตแล้วก็เดี๋ยวก็จะคิดสร้างสลาเพราะคนก็มามากอยู่เต่าแก่หลวงรับถ้ามีโอกาสผมจะกราบเรียนท่านครับ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 จงเป็ดจงเจดในช่างสมเจดชนบุรี่เป็นลูกเขยของอทีอออ่อะไรที่กรุงเทพเอะสาราลงชินเป็นลูกเขยของหลุงชินนนะคุณสมเจตแลาก็มารักษาศีลอยู่ที่นี่หลวงพ่อเออเอาคุณสมเจตปไปด้วยกันเขาเป็นวิศวะใช่จบมาทางวิศวะ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 กาออกแบบกหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนบอกเออหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ป่ปีในขณะที่อยู่บ้านตาดเนี่ยนะหลวงพ่ออยู่ในศาลาหลังนั้นที่โกงหลวงตาเนี่ยชายคามันน่ชายคามันที่ออกมาจากต้นเสารประมาณ70เซนเท่านั้นนะชายคาสั้นมากเวลากลางคืนฝนตกกลางคืนเนี่ย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 โอ้ท่านอาจารย์ถึงยังไงของเราก็ยังเล็กกว่าของบ้านตา 15, สิบาดสัปาตารางเมตรพน่ะคิดถึงขนาดนะั้นแล้วลูกหลานนะสาราของเราเล็กกว่าสาราบ้านตาดสิบาตารางเมตรเออเอาไหมถ้าหากว่าไม่เอาเรจะทำไงเขาแปลนก็ออกมาอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างบ้านตาดมันก็ไม่ได้บ้านตาดต้องทำแบบโบราณนะของเรามันต้องทำแบบสมัยใหม่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 มันอ ย, อย่าเข้ามาเหยียบวัดเรานะทําอินนะโอ้เราได้ยินเสียงลมมาเถอะนั่นแหละเราก็ขาอ่อนแล้วต่นี่ตายตายตายตาย ต, ย ต, ย ต, ยตยเราก็พยายามจะเข้าไปไปแก้ก็ไม่ใช่เรื่องทีนีน่เราก็แบบแบบแบบเขาอ่อนแล้วว่างั้นถ้ายินนะอทางพุ่นเขาก็ตีปีกแต่ว่างั้นเพราะว่าหลวงพ่ออินเอทําใหญ่กว่าทําเกินคําสั่งของหลวงตาใช่นะม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 ไปอยู่ที่ไหนต่นางทำเป็นกระต๊อบกระแทบขึ้นมาสาราเล็กๆสมาสาราไม้ไผ่มุงยานะนะนะไปที่บ้านเพิ่มแต่หลวงตา ย, ยังอุตสาไปเยี่ยมหลวงพ่อนในปัรษารนะนะหลวงตา ย, ยังไปบ้านเพิ่มโอ้ท่านป่าดงจริงๆโตแถวนี่เถะหลวงตา ย, ยังไปนะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดป่าบ้านเพิ่มนี่แหละนะ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 ต่อเติมชายค้าออกไปอีกแล้วก็ปูหิน เ, เขาก็ถามอะญาติยโยมก็ถามลุงพ่อจะปูอะไรขันหนชังเออก็คงจะเทปูนธรรมดาคนนั่งก็ปูเสือ่อหรือจะเป็นอะไรไปถ้ามีคนถวายกระเบื้องก็คงจะเอากระเบือ้องถ้ามีคนถวายหินก็อเอาถวายหินถ้าเผลอเผอเว้ยสาลาหลวงพธิอินเนี่ย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 มีแต่เราจะขี่ใสท่านอะาจารย์วานเหมือนกับไปวัดหลวงปูศ่ศรีอ่ท่านก็เคยขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อนะพอหลวงพ่อทําเสร็จเป็หมยังไม่เสร็จนะท่านเดินขึ้นไปยังไงขึ้นไปถึงกุฏิหลวงพ่อพนะท่านไปเปิดประตูห้องประตูกุฏิทําอินเนี่ยโอ้ทานั้นนะ่ะแต่มันก็ไม่ใหญ่รอกก็พอดีอยู่แต่เราไม่ปวดขี้นะถ้าเรามีปวดขี้เราจะขี่ใส่กุฏิทําอิน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 เ, เรื่องกิเลสลาคะนี่ความรู้รรๆหลาหลาเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใครนะกิเลสกิเลสลาคะตรงพ่อกมาคิดเอ๊ะมันจะเกี่ยวอะไรวผลี่สุดมันใช่ราคะคือความสวยงามใช่ไหมละ่ะโป้โลงตาไม่ใช่ธรรมราในสอนหลวงพ่อนะเออรู้รรๆหลาหลาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างอื่นนะเรื่องกิเลสทั้งนั้นเ อ, อทันวานะ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 ท่านขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อโอ้กุฏิหลวงพ่อเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยลื่นเหลือเกินน่าจะปูหินน่าจะปูหินหินหินุอิดตัวน้อนใช้ขอบปูนซีเมนก็ได้ทำง่ายๆเลยเออกว่าดีจุดแท้แต่ผมลื่นยเกย่งแล้วเนะ่มาขึ้นไปหกล้มหลายครั้งจากนั้นท่านก็เลยเอาคนมาทำให้พอทำให้เสร็จก็หลวงพ่อก็ไม่ปูมาถึงศาลาโดยนะกวดหลวงตาจะเห็นเามือ น, นันนะ ปูแต่เฉพาะตรงที่จําเป็นที่มันลื่นเออไม่ใช่ทําอะไรเพราะนั่นสมัยก่อนเี่ยทําเทําอะไรเราต้องระวังดวงตามาวัดของเราบ่อยทํามาเห็นสิ่งแปรปลอมเห็นสิ่งรู้หลานี่ย น, นั่นแหละอวัดนี้เราจะไม่มาเหยียบอีกทําอินเนี่ยเราบอกแล้วมันทําไมเนี่ยเราก็กลัวมากเลยใช่ไหมจีนี้เราก็ปูปูขึ้นไปเพราะมันจําเป็นมันลื่นน่นพอต่อมาทีอเนี่ย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 ท่านคงจะดุกันนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเออสุแท้แต่เนาะสุจะเจ้าคิดอย่างนั้นเอาหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออทีนี้ท่านพวกท่านดลงนั่งกนะ็พอหลงตา ม, มาวัดอย่างวันนี้แหละเออแล้วก็วันมุขพุ่งนี่แหละเขาก็ลุมแลว้วกันแต่เขาจะทำแล้วพอเว้นไปวันหนึ่งล้วงตากลับมาทีนี่เออมาจยางไรก็ใหม่รู้เท่านั้นแหะ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 มันจู ย, ยังไงกันเนี่ยมันทำไมเนี่ยเราก็ไม่พูดท่าลงตาด่าอะ้รอย่าไปหาเถียงเหมือนกันเลยอย่าไปแก้ตัวมีแต่ฟังลูกเดียวคือลงตาด่าเนะี่มีฟังลูกเดียวเัมอนะเอนลงตาท่านเสร็จท่านก็ดา่าพ่อท่านด่าเหนื่อยจากนั้นก็เร า, เราก็นวดเส้นต่อเอกเหมือนกันนะ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 เนี่พอจมาเซ็นเนี่ยมึนเปดเดือนเมษาเขาเหม า, าไม่ทำหรอกพอทำเข้าไปแล้วก็พอเส็นสัญญาจบเราพฤทธสภาจะทำอะไรได้ฝนมาแล้วฝนแรงอีกต่างหากในทิณเนี่ยไม่ทำแล้ ว, วออกพรรษาซะก่อนอถึงโลงตาจะอนุมัติก็เถอะแต่นี้จากนั้นมาตรงพ่อก็ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จแล้วก็มีนายช่างอิตาเลียนไทย มาขามาขึ้นมาภูกอนเนี่ยเขาจะมาดูเจดีที่เจดีมันมีปัญหาเนะ่เขาก็เลยมาแวะที่นีงพ่อไอ้โอ้โด็อกเตอร์ไปดูดูเขืนให้อัตมาโดยเทินว่ะจะทำยังไงจะดีด็อกเตอร์อิตาเลียนอิตาเลียนไทยเขาเลมาดูมาดูเอ๊ท่านผมว่าไม่น่าจะสร้างใหม่นะมันกินเงินผมผมซ่อมได้นะน่าจะซ่อมเอาตั ว, ต, วตัวเก่าเนะี่ยเฮออย่างนั้นเลยท่านดอกเตอร์ครับเดี๋ยวเผมจะ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 เอ้ย hey, ไม่ต้องส่องหรอกเอาเอาไว้ในวัดซะนะนั่นน่ะเห็นไหมลงตาถึงขนาดนั้นเพราะนั่นไม่ให้เราช่วยลงตาห้าสิบล้าน่ยทำยังไงใช่ไหมท่านไม่เอาคืนเลยเอาไ ป, ไปใช้แต่จะพูดไปพูดมานะ่ะถ้าเขาพูดไปเดี๋ยวเขารู้เยเดี๋ยวเขาจะมาขอท่านนะ <c oughs> ท่านกําชับอีกต่างหากว่างั้นนะลงพ่อ ก, ก็ขคบผมเลยเนยะแต่ผู้รู้จริงๆก็กคือพระที่อุปถาท่านใกล้ชิดท่านทมพอมาเงิน